เรื่องวันแม่สามห้าพระมันดาแห่งความดีโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอน้อมน้อมนับถวมีพระพักตร์ยาวผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ต่างหลายแม้บริิพานานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้า ขออํานวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือเกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทึงประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแ ก, เก่เจ็บตายเพื่อนร่วมประพุทธศาสนาให้ทันสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บนใฝ่กุศลทั้งหลาย โดยทุกกันทุกท่านทุกค น, นโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำมิกร ะ, ะกาทาปาตกระทาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทา่ทานทั้งหลายจงตั้งอกตั้งก่ฟังกันด้วยตีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง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 ทุกคนเมื่อทำงานทําการได้แล้วก็จะต้องหักเงินไว้เป็นเงินบำลุงเงินป้องกันสังคมโซเชียลเวนแฟร์โซเชียลอินชัวรันประกันสังคมสังคมสงเคราะห์เงินประเภทนี้จะเก็บไว้หักกลายได้จากผู้คนที่มีรายได้แล้วตามอัตราที่กฎหมายเขาวางกันไว้ แล้วก็จะเอาเงินประเภทนี้มาเลี้ยงคนเฒ่าคนแก่ที่ ล, ลุกลานทอดเที่ยงไปจัดนิคมคนแก่ขึ้นมืองทีนูน่นตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นนั่งมือเราขี่รถไปหนาสงสารผู้เท่าฝรังนั่งมือนั่งเงื่อนเอื่อนอยู่ตึกเป็นแถวตึกสิบชั้นยี่สิบชั้นสามสิบชั้นตึกผู้เท่านิคมคนแก่เห็นแล้วก็สงสาร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 พวกฝรั่งผู้เฒ่าเหล่านี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นฟูง้งมันเกิดอาการอ่างวางว้าเวโลเลเนตขึ้นมาเอาม้าเป็นเพื่อนเอาม้าเป็นลกูกเป็นล้านเอาแมวเป็นลกูกเป็นล้านจูงมา้าจูงแมวไปไหนผูดกับมา้ากับแมวดาริงสวีทฮาร์ดโอยอดรักหวานใจของฉันก็ว้าไปาผู้เฒ่าเหล่านั้นมีเงินมีทองก็ต้องเอาไป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 ร้องขอต่อรัฐบาลลูกหลานมันยุ่งยากลำบากมันไม่เคยเห็นหน้าเลยปีทั้งปีชาติทั้งชาติเรี่ยงมาใหญ่โตเจกางหน้าบ้านปีก้าขาแข็งซะแล้วก็เลยขอร้องให้รัฐบาลเนี่ยหยุดงานทีหยุดให้ลูกให้หลานมาเยี่ยมมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทีนี่คมก็เลยมีวันขึ้นมาวันหนึ่งในจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวัน วันที่ ล, กลูกหลานอยู่ที่ไหนที่ไหนชอบงานทํากาแล้วรระบาดหยุดให้มาหาพ่อหาแม่มาใส่ปุ๋ยให้หัวใจแกพ่อแก่แ ม, ม่เขาก็เลยหยุดวันนี้เรียกชื่อมว่าวันแม่วันพ่อเนี่ยวันพ่ อ, ว, พอวันแม่ Father and Mother Day วันพ่อหรือวันแม่หยุดแล้ว ล, ลูกหลานก็ขับรถมาหามาเยี่ยมที่ยังพอระลึกนึกถึงกันพ่อแม่ก็เลยแฮปปี้แฮปปี้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 พฮอปีหนึ่งมาเยี่ยมพ่อแม่สองครัง้งสามครัง้งพวกที่เป็นเจ้าเป็นนายแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้านต่อมาพวกที่ทุกยากลำบากข่าวขึ้นนาปลาขึ้นบ้านดำไร่ดำนาเสร็จเปิดลงกรุงเทพไปนู่นสู่โรงงานอุตสาหกรรมผากไต่ผกักกางอุดมสมบูรณ์ไปห้าทำงานทำการเอาไปไปมามาคิดใจมันก็คุ้นเคยชาชิน กับการพัดผ่าทิ้งพ่อทิ้งแม่ไว้ที่บ้าน ง, งกๆเงินเงินต่อมาก็ไม่อยากจะทํานะไม่อยากจะเกี่ยวข่าวเอาเงินมาจ้างดีกว่าก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ก็อ่างวางว้าวเวโลลิเนตเป็นกํมพาร์งกเงินเ ง, งินโอ้ยอ่างสังขยาอีดูดนศาสตร์พูดเห่าเด้กเกมาย่ําถุกย่ำอยากาอไงอพ่อแย่แม่แย่ไรบ้าดตรง น, นี้แหละมันจะมีวันพ่อวันแม่ขึ้นมาให้รัฐบาลไทยหยุด ยุดวันที่สิบสองสิงหาวันพ่อวันแม่ก็ไม่มามาหาพ่อหาแม่มันไกลหยุดก็ไปหากินเหล้าฮ่าสนุกสนานเขาครับเกา บ, บ้าเพลินไปเลยตรงนี้เมืองไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่งพอมาจัดจอมพลแปลจอมพลปอมาจัดขึ้นฝรั่งมาเห็นก๋งวัวเราะมันมาอ่อนซอนประเทศไทยเราใช้คําว่าอ่อนซอนนะ <c oughs> อกฝรังเข้ามาเห็นเมืองไทยแล้วเขาก็แหมเมืองไทยมันดีแสนจะดีลูกล้อมหน้าล้านล้อมหลังอยู่ในครอบครัวแสนจะอบอุอน่นไม่เหมือนสังคมฝรังแล้วทาไมคุณจึงต้องมาจัดอย่างนี้เขาก็หัวเราะฝรั่งมันดีแล้วประเทศไทยคุณมาจัดทาไมคราว่า why you make like this this is not good ข่าเป็นอย่งจุดเี่ให้เจียงซีมันบดีตัวนี่ครับ มุจลพัน์ิดแนวไดมันดีแสนจะดีเราตัวเมืองไทยเยขาว่า Thailand is very good family relationship this is very really strong very really good เขาว่า why you make l i e i s not good เาว่าเมืองไทยนี่ระบบครอบครัวเกี่ยวดองข้องญาตมันแสนจะดีแสนจะแน่นแฟนแล้วคุณมาทำอย่างนี้มันทำนยังไงนะมันไม่ดีนะแล้วเราก็เลิกล้างกันไปแต่บัดนี้เราก็มีวันแม่ขึ้นมา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 น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรสร้างคุณงามความดีด้วยกายวาจาใจอุทิศเป็นพระราชกุศลเพื่อพระนางเจ้าพระมหาบรมราชินีนาฏมีพระชนมาายุยิ่งยืนนานทธอทรงสเสวยทรงอยู่กเกษมพัฒสําราญพระว ร, า ร, ะรากายและมีพระชนมาายุยืนนานต่อไปนี่เป้าหมายของเราจัดในวันนี้ ทั้งโรงเรียนทั้งส่วนเป็นภาครัฐภาคเอกชนก็พากันจัดวัดวาอารามตั้งภาพพระบรมชายาลักษณ์ของพระนางเจ้าพระบร ม, มราชินีนาฏสวดมนต์ถวายพระพรสวดปริตตมองคลชักชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจำสิ้นภาวนาอุทิศุนเป็นราชกุศลถวายพระพร อันนี้มันก็เป็นการดีมันรวมกันเป็นเอกภาพอย่างน้อยเพื่อประโยชน์เพื่อคุณความดีถวายแด่พระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถแล้วสิ่งที่ดีที่งามเหล่านั้นมันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนกายเข้ามาอยู่ในจิตในใจของพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าพระชาเป็นดินที่ดีพระราชินีที่ดีที่ตั้งมั่นในศิลในธรรม นอกจากทำให้พระศกในกรไพภพว่าอนาประชาราดภายใต้เบื้องยุคนระบาดของท่านได้ประสบความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นเพียงในชาตินี้ยังไม่พอยังสามารถทำให้คู่คนพระศกในกรของท่านเนี่ยไปสู่สวรรค์เอ้เยเนื้อหนาะมันไปไกลเึงขนาดนั้นนะ ทำไมจึงการชาตินี้เวลานี้ท่านก็เอาใจใส่พระศกในกรไพรฟ้าอาณาประชาลาดอย่างกรณีเรื่องราวรุนแรงเกิดขึ้นพุทธสภาทามินที่เกิดขึ้นมานั้นถ้าไม่มีพระบรมบุญญาที่การมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็ยังไม่แน่เลยว่ามันจะออกมาในรูปไหนบ้านเราเมืองเราปานนี้อาจจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟนั้นด้วยอำนาจแห่งราชานุภาพอันประกอบไปด้วยธรรมเรียกว่าธรรมราชานุภาพธรรมราชินีนุภาพก็เลยก่อให้เกิดสันติภาพความสุขความสงบความร่มเย็นขจัดปักเป่าพยันตรายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองจากร้อนให้มันเป็นเย็นสงบร่มเย็นลงมา พราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านยิ้มยิ้มอยู่วันหนึ่งท่านยิ้มยิ้มอยู่ในใจพระอนุลก็แปลกใจก็เลยถามว่าพันเตภควาคาแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญพระองค์ทรงแย้มพระสวนทําไมพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าอานุลพระราชามหากษัตริย์ตราชพระบรมราชินีนาถท่าตั้งอยู่ในสิ้นในทับแล้ว ไม่เพียงแต่ทําให้พระสงฆ์ในกรไพรฟ้าอานาประชาราชประสบความสงบร่มเย็นในพื้นเป็นดินโลกในชาตินี้เท่านั้นแต่ยังส่งไปไกลถึงพาพระสงฆ์ในกรรไพรฟ้าอนาประชาราชที่เกิดร่วมแผ่นดินภายใต้เบื้องอยู่คนบาทของพระองค์ของพระานางแก้วนั้นได้ขึ้นสู่สงสวรรค์อีกด้วยนี่ทางทา้งหลายต้องคิดไปไกลๆนะ เมื่อเมื่อตอนจะเมื่อออกพันษาใหม่ๆปีที่แล้วอาตมาได้พาพระเ น, นเดินธุดงไปพักผ่อนบนยอดเขาพูผานบนอุทยานแห่งชาติห้วยห้วนไปอยู่ที่ถ้าพระด่านแรงหลังจากนั้นก็ไปต่อไปอยู่ที่ริมฝั่งห้วยไค้น้ำตกแก่งโพกลางป่าดิบดงดำที่อำเภอดงหลวง คุณกิตสดาสุภาพไัยปุณซึ่งเป็นหัวหน้าบนอุทยานแห่งชาติห้อยหวดคนนี้เป็นคนสัมมาธิฐิมากเลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปถึงมากมายนอนอยู่ในป่าในดงกบพาลูกน้องบุกเข้าไปหาไปกราบไปไหว้ไปทำบุญทาทานความจริงพวกเราตั้งใจจะหนีคน ไ, ไก ล, ไกล ไม่ปาธนาะจะกินข้าวในขณะนั้นอยู่ในป่าลึกเพราเวลาเราได้แต่คุกคีอยู่กับผู้คนเราตกลงกันว่าจะฉันมามา่าวัน ล, ละสองเวลาเท่านั้นวัน ล, ละสองหอไม่ใช่สองเวลาแล้วจะมีโยมไปด้วยแปดคนต้มน้าร้อนพอรวกมามา่าพอได้ถ่ายไปฉันมามา่าวัน ล, ละสองหอก็พอแล้วจะเริญสมาธิภาวนาวา่าถะาภคโขกินลมเป็นอาหารเอาสมาธิเป็นอาหารก็ได้สมาธิภคโค แต่ปากฏว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นคนเกิดสดาสุภาพไปบุ์เห็นยังเอาพาลูกน้องบริวารของท่านเนี่ยไปทำบุญกันเราก็เลยได้ชันข้าวในขณะเดียวกันในจำนวนลูกน้องเนี่ยแถบอำเภอจันเพอแถบอำเภอเตา ง, งอยตำบลจันเพนีนับถือศาสนาคริสเตียนนิกายโรมันคาทอลิกมาตั้งแต่พ่อแม่บรณโบราณทั้งบ้านทั้งเมืองไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับ พระสงองค์เจ้าในทางพระพุทธศาสนาแต่วันนี้เขาจาเป็นต้องมาทำบุญจาเป็นจะต้องมานั่งสมาธิเพราะตรงกับวันที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติ คือวันเฉลิมพระชนพรรษาวันเกิดวันพระราชสมภ พ, พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกทวนน้าพระสงฆ์ในกรงไผ่ฟ้าอาาประชาราษฎร์บางก็แสดงออกทางการศีระเวลาร่างกายเรี่ยวแรงธรรมภีพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบูชาเป็นพระราชกุศลบางก็ทําบุญสุนทรท า, านตักบาตรฟังธรรมจาสินบางก็เจริญสมาธิภาวนา อยู่ในปานในดงคุณกฤษดาสุภาพไปบุญเนี่ยพาลูกน้องทั้งพุทธทั้งคิดมาฝึกสมาธิภาวนาภายในธรรมกับอาตมาหนังสมาธิถวายราชกุศลฟังเทศฟังธรรมเอออาตมาก็นึกนึกว่าเออนี่คือของจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าพระราชาที่ดียอมยังพระสกในกรไพรวาณาประชาราฐไม่เพียงแต่อยู่เย็นเป็นสงในชาตินี้ ยังส่งไปไกลถึงขนาดว่าให้ประสบความสุขความเจริญได้เกิดในสวสวรรค์ในปรพภพเราเห็นประจักษ์ชัดแล้วถ้าไม่ยังพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าความจริงนั้นไม่ว่าผู้ใดจะถือศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูซิกเป็นวอร์เดมสโลว์สเตอร์อะไรต่างๆ ในพื้นแผ่นดินเดียวกันธาทําทสิ่งที่ดีที่งามอย่างเดียวกันทําเหตุอย่างเดียวกันผลมันก็จะไปโ่อันเดียวกันนั่งที่ทั้งพุทธทั้งคริสมาทําบุญมาไหว้พระมานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในธรรมกับปารมาเนี่ยวันนั้นเหตุที่ทําให้คนทั้งสองสาศาสนามารวมกันมาทําอย่างเดียวกันเพราะหัวหน้าหัวหน้าเขาคือคุณปฤสดาสุภาพไปพุ่น คุณกฤษดาสุภาพไปบุญมาทําสมาธิภาวนาเพื่อถวายราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวมานั่งสงบอยู่กับบัณฑมันเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตั้งมั่นในสินในธรรมเป็นผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ต่อพระสงฆ์ในกรอนไฟ้ า, าอานาปชาลัดหัวหน้าหน่วยงานทั้งหลายข้าราชการทั้งหลายราชายุตธโตปิข้าราชการทั้งหลายก็ เอาเยี่ยงเอาอย่างทําอะไรเพื่อท่านในวันนั้นก็เลยแสดงออกด้วยการกระทำกุนงามความดีนอกจากทําบุญสุนทรท า, าและก็ยังมานั่งสมาธิภาวนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นมก็กลับคืนมาสู่บุคคลเหล่านี้ถ้าเขาพบความสงบเขาก็ได้พบความล้ําลึกแห่งความสุขอันเกิดจากสมาธิธรรม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 อันตร a k a านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาชั้นดาวาดึงผู้นั่งประชุมกันนสภาชื่อว่าสุธรรมสภาเทวดาคุยกันว่าอย่างไรรู้ไหมเทวดาใหม่กับเทวดาเก่าไปพบกันเทวดาที่ไปขึ้นสวรรค์ใหม่ๆปรากฏบนสวรรค์ใหม่ๆพวกเทวดาหน้าเก่าๆก็นั่งอยู่ในสุธรรมสภากำลังจะฟังธรรมกันเห็นหน้าเทวดาใหม่ๆขึ้นไปไล่อ ง, ไลอง์ก็เลยเดย่นั่งคุยกัน พวกท่านทําบุญซุ้มโทรทานทําคุณงามความดีอะไรซึ่อถึงได้มาเกิดบนสวรรค์พวกเทวดาใหม่ก็บอกว่าโอ้ทําบุญซําทานอย่างนั้นได้ทําบุญได้ตักบาตรได้เจริญสมาธิภาวนาสร้างคุณงามความดีโอ้พวกท่านทําไมถึงได้ทําอย่างนั้น่ะความจริงพวกเราก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะทํำดอกแต่ว่าพระราชาพาทำพวกข้าราชาการ ทำตามพระราชาก็เลยมาบังคับมาสั่งให้พวกเราทําพวกเราไม่อยากทําก็เลยต้องทําเมื่อทําแล้วมันก็เลยได้ผลตายแล้วได้มาขึ้นสวรรค์เพราะการกระทําที่ไม่ได้เต็มใจเท่าไรนักมีพวกเราเสียดายเหลือเกินเสียดายว่าเราได้ทําน้อยๆทําด้วยความจําใจเพราะพระราชาพาทำเพราะ ข้าราชการทั้งหลายได้พาเราทําเพื่อบูชาพระราชานั่นเองแล้วก็เลยได้ขึ้นสวรรค์เพราะพระราชานั้นเสียดายเสียดายจริ ง, รงๆที่ไม่ได้ตั้งใจทํำดอกทําด้วยความไม่เต็มใจแต่ทําด้วยการคล้ายๆวัดถูกบังคับแต่ก็หม่เชิง น, น่ะนะก็เลยได้มาขึ้นสวรรค์ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆด้วยศรัทธาจริงๆเนี่ยเราจะได้บุญได้กุศลขนาดไหนนั่น นี่มากว่าอนุภาพแห่งประราชาผู้ทรงธรรมแพ้ไปโดยทําทําให้บุคคลเหล่านั้นจะต้องได้ทําคุณงามความดีได้ขึ้นสวรรค์เหมือนพระเจ้าอาโศกบอกว่าผู้ใดเกิดในแผ่นดินในอาณาจักรของข้าบุคคลเหล่านั้นก็เหมือนลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าเห็นไว้ต่อแกลึกไว้ในหลักศิลาจารึกทั่วแเว้นแคว้นอันไพศาลในประเทศอินเดียสมัยโบราณ นยพระพุทธเจ้าก็เลยพูดอย่างนี้เล่าให้พระอานุนฟังที่เยิ้มยิ้ ม, มถ้าท่ามีเวลาลองไปเปิดพระไตรปิฎกนะมัชฌิม ป, ปัญหามัชฌิมเนิกายราชวังพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสามลองไปเปิดดูข้อที่สี่ร้อยห้าสิบแปดหน้าที่สี่ร้ยี่สิบเอดท่านจะได้พบอย่างชัดเจนที่พระพุทธเจ้าพูดคํานี้แล้วเทวดาเก่าได้ยินเทวดาใหม่ก็่าให้ฟังนั้นก็พากันชื่นชมยินดี แล้วก็เลยพูดอุทานออกมาว่าอุทะปาธิราภาวัตโพวิเทหานังสุลทั้งวัตโพเทวิเทหานังเยสังนิมีราชธรรมนิโกธรรมราชาธรรมมธิโตธรมราชาธรรมมังจรติพัฒนาคมเนงฆาปติเกสุเนฆาเมสุเจวะชาณปเทสุจะอุปสถกันจะอุปสัทนจะอุปาสสวติจะตุทิสิง ปันจะทัศสิงอัธมิงปักคัตสาติแปลว่าเป็นลาบอันประเสริฐของชาววิเทหรัตแล้วหนอท่านผู้เจริญชาววิเทหรัตเขาได้ดีแล้วหนอที่พระจาแผ่นดินของเขาเป็นพระราชาประกอบไปด้วยธรรมเป็นธรรมราชาเป็นพระมหาราชผู้ทรงสิต อยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพามกหบดีชาวนิคมชาวชนบททรงรักษาอุโบสถในวันสิบสี่ค่ำสิบผ้าค่ำวันที่แปดแห่งปักพูดง่ายว่าแปดคาเก่าคำสิบสี่คาสิบผ้าคำพระราชาพรามหาบรมราชนีนาะธทรงสถิตยอยู่ในธรรมทรงกระทําอุโบสถให้อย่างเนี้ยและมหาชนทั้งหลายก็ได้ทําตามเริ่มตั้งแต่หัวหน้าผู้ใกล้จิตพระบรมวงศานุวงศ์พระบรม โอรสาธิราชสยามมกุฎ ร, ราชกุ ม, มารีทั้งหลายก็ได้กระทําคุณงามความดีอย่างนั้นตามเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชบริาพารผู้อยู่ใกล้ชิดต่อมาก็ลามขยายขอบเขตมาถึงการาชการส่วนบนลงมาส่วนล่างถึงประชาชนพราะเหตุ น, นั้นทําเป็นเล่นไปในเมื่อเราได้เกิดมาพบพระราชาพระราชินีผู้ทรงซิ้ปทรงธํามนั้นมันเป็นบุญเมื่อปีนี้แหละ เดินที่ผ่านมานู่นเดินพึกสภามิถุนาพึกสภาอะไรในเดินพึกสภาในขณะที่เกิดพึกสภาธรมินนนั่นเองพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาแต่เสด็จมาที่จังหวัดสกนลนครของเราเนี่ยได้มาที่หมู่บ้านดอนคําบันเล็กๆอำเภอคำตะกาอาจมาก็ได้ไปรับเสด็จกับท่านเจ้าคณะอำเภอ พระเดชพระคุณทั้นเจ้าคณะอำเภอแล้วก็มีพระสงฆ์แปดเก้ารูปด้วยกันได้พบเห็นราช จ, จริยาวัรของพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถท่านมาเยี่ยมพระสงฆ์ในกรไพ่ฟ้าอนาประชาราษบ้านนั้นเป็นบ้านเล็กๆอาจจะไม่ก็ไม่เคยเห็นครั้งหนึ่งที่เป็นคนคําตการนะบ้านดอนคําได้เห็นเพราะ พระบรมโพธิสมภารของพัะนาเจ้าพระบรมราชินีนัน่นทันมาตรงนั้นเราก็เลยไปพระสงฆ์ในกรท่ายฟ้านำประชาละลาชนลังไลกันไปหามกันไปคนเจ็บคนไข้คนทุกข์ยากลําบากพะนาเจากก้าก็ไปเยี่ยมเยือนเอื้อชมพระบวรากายดูคนทุกคนอยากคนเจ็บไข้ได้ป่วยเอ้ามีหมอไปด้วยรักษาพยาบาลหลังจากนั้น ถามไทยพระสงฆ์นิกายไผ่ฟ้าอนาปชาลาและก็ขึ้นมาบนศาลามากราพระดูเหือส้มพระวรากายเลยแต่วันนั้นอบอ้าวมากเลยทั้งฝนก็จะตกทั้งอา้าวท่านก็มากราบพระมาถวายปัจจัเชยทานอาตมาเองได้รับเงินสามพันบาทท่านถวายพร้อมกับผ้าห่มอาตมาก็มาแล้วลึกว่าเราต้องเวน้นคืนเงินนี้เป็นเงินของแผ่นดิน ใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าแต่มานั่นเป็นคนชอบป่าชอบดงพระราชินีของเรานั้นท่านชอบปลูกป่าอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หอของเราท่านชอบสร้างแหล่งน้ําเขื่อนอ่างคูคลองโครงการพระราชดําริในภาคอีสานที่มันแห้งมันแล้งส่ว น, า น, านพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาฏเสด็จไปตรงไหนก็ชอบไปปลูกป่าที่อําเภอจเจริญสินทางออกไปอําเภอสว่างนั่นท่านก็ซื้อป่าเรียกว่าป่ารักน้ําพระหาราชนินีหน้าของเราเหมือนป่า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 น้ำก็ต้องรักป่าถ้าไมมีน้ําปลาก็เหี่ยวแห้งเฉาตายไปถ้าไม่มีป่าน้ําก็รีบเหือดแห้งไปแผ่นดินนี่เมื่อได้รับความร้อนแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาถ้าไม่มีปลาดูดซึมซับเอาความร้อนไว้ความร้อนก็จะต้องสะท้อนกลับเหมือนในทะเลทรายอาตมาไปอยู่มาห้าหกปีในทะเลทรายกลางวันร้อนเหมือนอืใจจะขาดตายแต่กลางคืนเนาววับวิว ใ, ใจจะขาดตายเองเหมือนกันเพราะว่าความร้อนในทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้ ที่จะดูที่จะซับเอาความร้อนนั้นคงไว้ในแผ่นดินมันสะท้อนกลับหมดส่องมาเท่าไรสะท้อนกลับหมดร้อนมากพรกลางคืนหมดแล้วก็มีแต่เย็นมีแต่หนาวแต่บ้านเราเมืองเราถ้ามีต้นไม้พอความร้อนส่องสาดลงมาแสงอาทิตย์ความร้อนจากแสงอาทิตย์สู่โลกเนี่ยป่าไม้มันจะ ด, ดูดซับเอาไว้ในป่ากลางวันจึงอบอ้าวมากเลยในป่ากลางวันนี่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 มันก็ออกาะตัวเป็นเมฆก็ตกลงมาเป็นฝนนี่มันอาศัยกันอย่างนี้คพราะนั้นน้ํารักป่าป่ารักน้ําครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้าของเรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระเจ้าอยู่หัวของเราก็รักพระนางเจ้าพระบรมราชินีน้าจึงเปรียบแต่เหมือนป่ารักน้ําน้ํารักป่าป่าก็เลยรักน้ำํำอันตะวัสตงมาสามพันบาทอาดมาก็เวนคืนให้แผ่นดินให้หมด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 ต้นเท่าแขนเท่าขานี่ไฟไหม้หมดชาวบ้านก็เผาป่ามันไหม้มันตายหมดพอฝนตกมามก็งอกขึ้นมาใหม่ตามต่อตามอะไรมันก็เราก็ไปขุดขึ้นมาเอามาปลูกปลูกมันดิ บ, ด บ, ดบสดๆนั่นแหละเรียนรัดเลยเรียกว่าป่าราชนีเดี๋ยดีท่านทั้งหลายมีโอกาสไปดูเลยก็ได้อย่างนี้เลยว่าเวนคืนปลูกป่าบูชาพระคุณแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินนะแผ่นดินนี้มีเจ้าของในเมืองเงินนี่เป็นเงินของพระเจ้าแผ่นดินของเรา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 ทำให้บ้านเมืองเราอยู่เย็นเป็นสุขเองเหมือนกันในวันแม่เนี่ยอยากจะชักชวนท่านทั้งหลายให้มาและลึกถึงพระคุณของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยากจะชวนท่านทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดในวันแม่แห่งชาติเนี่ยบูชาพระคุณแผ่นดินด้วยการปูไม้ลงบนพื้นแผ่นดินซักคนละหนึ่งต้นถ้าเราทําได้เงี้ยวันแม่แห่งชาติจะเกิดต้นไม้เพิ่มขึ้นมาบนพื้นแผ่นดินนี้หกสิบล้านต้น ถ้าเราทำได้เงี้ยมันจะเป็นการดีเพราะว่าการปลูกป่านั้นได้บุญทุกเมื่อนะทำไปเล่นไปพระพุทธเจา้ทาท่านเคยตัตอบเทวดาอาตมาพูดและพูดอีกบ่อยๆไม่เคยเบื่อนายอยากจะชวนท่านต่างยทำบุญทุกเมื่อมีเรื่องเล่าไว้ในสขวักสังยุตนนกายปะฏิปิเล่มที่สิบห้าข้อข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกหน้าที่สี่สิบหก พนะ์อารมณ์ปะโสเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าของเราว่าทำอย่างไรผู้คนผู้ปฏิบัติตัวอย่างไรทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ใดบุญเป็นผู้ทำบุญทุกเมื่อมีบุญทั้งกลางวันมีบุญทั้งกลางคืนใดบุญอยู่ทุกเมื่อเป็นผู้ตั้งมัน่นในสิ้นในธรรมเป็นผู้ไปสวรรค์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าบุคคลใดปลูกป่าบุคคลใดสร้างหมู่ไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างแหล่งน้ำบุคคลใดให้โลงน้ำเป็นทาน บุคคลใดสร้างที่พักพาอาศัยให้กคนทั้งหลายได้เข้าไปอาศัยบุคคลนั้นได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนได้บุญทุกเมื่อบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ตั้งหมันในสิ้นในธรรมไปสวรรค์แน่นอน เพราะว่าอย่างนี้อารามะโรปาวณาโรปาเยชนาเซตุกรารกาปะปัญจะอุท a าน n ันจะเยทะทันติอุปัสสยจังเตซังรัตโตเจทิวาจะสถานปุ ญ, ญงปวัตตาติธรรมท่าเิราชัมปันาเตชนาสักามิโนโบุคคลใดปูกปาบุคคลใดสร้างอารามปูกหมู่ไม้ให้ร่มเงาบุคคลใดสร้างสะพานที่กันดานไปมาลำบากบุคคลใดเป็นผู้ สร้างแหล่งน้ําให้ลงน้ําเป็นทานขุดบ่อเป็นทานให้ที่พักอาศัยบุคคลนั้นได้บุญกลางวันกลางคืนและโตกลางคืนทิวากลางวันสัทธาทุกเมือ่อพุนยังประพฤติเจริญโดยบุญทุกเมือ่อธรรมทา่าสิรสัมปันาตัณมันในสินในธรรมเยชนสาสคามีโนชนเหล่านั้นไปสาบันแน่นอนนั่นเห็นไหมละ่ะเพราะนั้นเรามาบูชาพระแม่เจ้าชาวไทยของเราโดยการปลูกต้นไม้ลงแผ่นดินอย่างน้อยคนละหนึ่งต้นนี่ หกสิบล้านคนมันจะได้หกสิบล้านต้นในประเทศไทยเดี๋ยวนี้โลกกำลังร้อนโลกกำลังป่วยไข้แม่ทรณีกำลังหลั่งน้ำตาแม่ภคกงกากำลังสะอื้นน้ำเน่าอากาศเสียฝนตกลงมาเป็นพิษมะละพิษทางหลายเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ผู้หม่เขารบรักใหม่คำหนึ่งถึงบุญคุณของแผ่นดินแผ่นน้าเองหยเราจะพากันตายก่อนนะคนเรานี่จะตายก่อนสัตว์สัตว์จะตาย ทีหลังต่อมาพืชจึงจะตายเพราะว่าบรรยากาศของโลกมันขาดออกซิเจนคาร์บอนในโลกสูงขึ้นวันวันห น, นึ่งมนุษย์เผาป่ามนุษย์เผาถ่อไอเสีย ส, ส่งควันพิษขึ้นทําลายบรรยากาศโอโซนของโลกทําให้แสงอุ่นต่าเร อ, อเลตส่องลงมาในโลกความร้อนสูงขึ้นพวกโลกมาเร็งในต้นไม้มาเร็งของพืชมาเร็งของคนมาเร็งของสัตว์น้ําจะเกิดขึ้นสัตว์น้ําตายก่อนต่อมาก็สัตว์บรกต่อมาก็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 พระพุทธเจ้าจึงพูดคำนี้ 2,500 กว่าปีเหมือนพูดเมื่อวานนี้มันมีความหมายมากการประชุมกัน i ินเ r อร์ i o n a l Conference on ออน n อโซ r เรเจอร์คอมเพ i o n ก็ดีกันประชุมกันพวกเอิร์ทในที92นี่ก็ดีเมื่อผ่านมาเดินที่แล้วนี่ก็ดีล้วนได้ประชุมกันในเรื่องเดียวเรื่องโลกจะพินาศย่อยยับหนทางเดินทางของโลกกำลังไปสู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 ให้เงินเป็นหมื่นให้เงินเป็นเซนทําไมไม่คิดว่าเอามาซื้อแผ่นดินปลาสงวนแห่งชาติเสื่อมโทมเนี่ยเอามาปลูกปลาึ้นมาถ้าซื้อแล้วเอามาถาวายวัดเก็กได้ให้วัดเป็นผู้ปลูกให้ก็ได้เลยยังไม่ต้องกลัวว่าปลูกแล้วจะถูกไล่นิเหมือนพระประจักษไล่ก็ไล่ไปรัฐบาลไล่แล้วก็นี้ให้ไล่จากประเทศไทยพระกว่า น, นี้เพราะว่าพระเนี่ยเป็นคนไม่มีบ้านไม่มีเรือนแต่ถ้าอยู่ก็ควรจะทําประโยชน์ปลูกปลาปลูกรองช่วยชาวบ้านสั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดมีขึ้น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 ใครจะว่าบ่าก็ตามไม่เคินร้อย100ปีโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรคูคู่เวียเข้าเลิศแพลงชีวิตเดี๋ยวนี้มีชีวิตอยู่คืนชีวาให้ป่าใหญ่โดยการไม่ทําลายป่าคืนพงไผให้แป่นทินแผ่นดินโดยการซื้อที่ดินคืนมาปลูกป่าดวงพงไผบูชาแม่พระธรณีบูชาพระราชนินีนาท้องเรานี่เราให้ท่นานทั้งหลายฟังเอลไรพูดไปพูดมาวันเวลาที่เรียก ว, ว่าวันแม่เนี่ย จะมาถึงลิ้วหานไปแล้วก็ตามอยากจะพูดถึงอีกอันหนึงว่าวันแม่นั้นควรจะลํำลึกนึกถึงสิ่งหนึ่งคือคำหนึ่งคาที่ว่าแม่เนี่ยอย่าทาเป็นเพียงพิธีรีตองแล้วก็หมดไปสิ้นไปเฉยๆขอให้คหํานึงถึงคาว่าแม่แม่นี่เป็นคาที่ยิ่งใหญ่มากอะไรอะไรก็ตามมันเริ่มต้นที่แม่เราเกิดมานี่มันก็เกิดมาจากแม่ สิ่งใดที่มีคุณค่าอย่างใหญ่หลวงสิ่งใดที่เป็นแบบเป็นพิมพ์เขาเรียกสิ่งนั้นว่าแม่แม่น้ําแม่ทับแม่น้ําน้ําที่ใหญ่ที่สุดเป็นที่รวมลงแห่งสาครทั้งหลายน้ําจากที่สูงย่อมไหลลงที่ต่ำหยอกเขายอดเขาสอกเขาตั้งหลายไหลลงโศววยน้องของห้วยน้องตั้งหลายไหลลงโศแม่น้ำใหญ่ใหญ้วยใหญ่ใหญเขาเรียกว่าแม่น้ําแม่น้ำโคงแม่น้ําไนแม่น้ําคงคาแม่น้ํายูเพรสแม่น้ำไทคริสแม่น้ํำอเมซอน จากแม่น้ำเกาะไหลลงโสูมหาสมุทรสาค่นคนที่ยิ่งใหญ่ในกองทัพเขาเรียกว่าแม่ทัพไม่ได้เรียกว่าพ่อทัพเลยกูเขาใหญ่ๆเขรียกว่าแม่มหาชีมาลัยพ่อเห้นั้นจักเริ่มต้นที่แม่ชีวิตเริ่มต้นที่แม่แผ่นดินที่เราได้เหยียบย่างอาศัยโลกทั้งโลกเขาเรียกว่าแม่พระธรณี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 ที่พอค้องแม่ที่พอของแม่นั้นตอนที่จะเป็นแม่คนพ่อคนแต่งงานใหม่ๆนี่ทํำยังไงถ้านในอยู่ในศิลปกินในธรรมนะวันพระวันเจ้าให้งดกรรมสังวรอยา่าไปเสพกรรมกันหัดฝึกควบคุมอารมณ์จิตใจให้มันมันม่นคงไม่เหตตกดูภายใต้อํานาจของสิ่งเหล่านี้ไม่มีความผิดอะไรตามกฎหมายอาญาแผ่นดินลูกเรามีเราพวกเราจะทําอย่างไรก็ได้แต่มีความผิดในใจเราว่าเราจะควบคุมใจของเราวันนี้ไม่เสภกราม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 มีแต่อยากจะเป็นผู้ชนะไม่มีใครอยากสมัครเป็นผู้แพ้จงเพ้กันเถิดแล้วจะชนะใจตนเองเพราะเหตนั้นความเป็นแม่เนี่ยสำคัญกว่าความเป็นพ่อเขาจะไม่เรียกว่าพ่อทับพ่อน้ํามวลพืชสพสั์พร้อมปัจจพีสงเสพซึ่งวารีจึงจูดได้แม่นั้นเหมือนนักทีดุดกล่าวโลกส ม, มุิมอบอังแม่นามสมัญญา แม่นั้นเหมือนแผ่นดินดุดกล่าวโลกสมุดมอบอามแม่พะระธรณีแม่น้ำแม่ธรณีแม่พระคงคาแม่พะระธรณีโลกดูได้ด้วยแผ่นดินด้วยน้ำแม่คนก็เหมือนกันแม่สัตว์ก็เหมือนกันจะเลี้ยงงูเลี้ยงควายก็ไปหาแม่พันุห้าพาะพันุ์ที่ดีเห็นไหมละ่ะแม่พันธุไปต้องไปสร้างซื้อมาจาวเมืองนอกจะเลี้ยงไก่ก็ต้องหาแม่พันธุดีๆจะเลี้ยงมูก็หาแม่พันุดีๆจะหาคนละ่ะ จะให้คนดีก็ต้องมาสร้างความเป็นแม่ที่ดีเดี๋ยนี้นับวันที่เราจะขาดคุณภาพของแม่เดี๋ยนี้ตามอกตามใจตนเองเลยเกิดลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกไม่เคารพครูบาอาจารย์ลูกศสียไม่เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยมันเริ่มต้นแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่คำไหนเฮ hey, nice, ไหนหาไหนไปตรงนั้นงานตรงไหนสวนสนุกตรงไห น, นพ่อแม่หา้ามไม่ฟังผู้หญิงทุกวันนี้ชอบชายได้ก็ ไปหาเขาเที่ยวงานเที่ยวการสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยจะคุยกันยากลาบากมากเลยผู้ชายอยากจะคุยผู้หญิงเขาตามตอกออกตามประตูเขารบภูหลักผู้ใหญ่เกรงอกเกรงใจผู้ชายลําบากที่จะคุยผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะจีบกันไม่ยากเลยผู้หญิงไปหาผู้ชายเลยเขาทํานองคนโบราณว่าปาย่างดูหิง่งทายานเต็มสวบแมวไปนู่นเลยเจ้าพนูสิ่งหน่อยเห็นแมวทายาตสวบซึงมาถิ่มถอดหายห้อมเพียงใสแต่แมวเดี๋ยวนี้หนูสิงน้อยทายานสวบแมว ปกติเมวจะต้องสอบหนูตัดกินหนูเดียเ๋ยวนี้ผู้หญิงไปหาผู้ชายชอบใครรักใครไปแล้วงานนั้นงานนี้พอแม่ห้าไม่ฟังไปไปหาเขาสุดท้ายเป็นยังไงได้เสียกันมาเสีย อ, อกเสียใจจิตแตกใจเพไปหาคลอดลูกทิ้งไว้ตามโรงพยาบาลบางทีคลอดออกมาฆ่าลูกทิ้งบางทีกําลังยังไม่คลอดตั้งท้องเดือนสองเดือนอ้าไปรีดไปอะไรทิ้งเอาลูกออกมาใส่ถุงพลาสติกไปขว้างทิ้ง แม่ใจเจิดใจดําขนาดนี้แม่เสื่อมคุณภาพขนาดนี้ลูกจะขนาดไหนเพราะนั้นทําอย่างไรเราจึงจะได้แม่ที่ดีมันสําคัญที่แม่เนี่มากกว่าพ่อนะจะบอกให้พ่อไม่ดีนี่ขอให้แม่ดีเถอดเพราะว่าเลือดแม่มันแรงพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดไว้ว่าแม่เนี่ยสำคัญมากยิ่งกว่าพ่อมีครั้งหนึ่งพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในโกศลสังยุต สังยุตตนิกายมหาสังยุตตานิกายโกศลสังยุตไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าข้อที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหน้าหนึ่งร้อยี่สิบห้าพระยเปอร์เซนที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วพระนางมัลเลกาก็ะประสูต์ออกมาเป็นพระราชธิดาออกมาแต่เป็นลูกผู้หญิงบ่มีบักเถกเลยนางเนี่ยได้แต่ลูกผู้หญิงเขาก็ไปกราบทูล พระราชาบอกว่าบันนีพระราชพระคัมเีรสีทรงประสูติแล้วเป็นพระราชธาิดาท่านเสียใจมากเลยเอามือลูบอกแม่เราในผิดหวังทุกครั้งเลยไม่ได้ลูกผู้ชายสักทีพระพุทธญาณลูกท่านก็ตัดต่อออกไปเลยว่าไม่สําคัญจะเป็นชายเป็นหญิงมันสําคัญตรงที่ดีที่งามตรงที่แม่เป็นหญิงก็ขอให้เป็นหญิงดีเธอมันดียิ่งกว่าชายนะมันจะเป็นแม่ที่ดีผู้ชายบางค้อลูกไม่ได้ ผู้ชายดีก็ดีคนเดียวนั่นนะยากมากเพราะว่าผู้ชายคลอดลูกไม่ได้ถ้าผู้ชายดีแล้วคลอดลูกได้จึงจะได้ลูกที่ดีแต่ผู้หญิงดีนี่คลอดลูกออกมาจะได้ลูกที่ดียริงเลยไปอีกแต่ผู้หญิงบอบเป็นตาสะแตกออกลูกมากับบอบเป็นตาสะแตกเท่กันนี่ท่านพระพุทธเจ้าของเราท่าเลยว่าเมธาวินีสีระวัตติสัตสุเทวาปฏิพาตาตัสตาโยชยติปโปโซสู้โลหิติสัมปติ ตาทิซาสุภริตาปุตโตรัชมปิอนุ s าสติติวัชนแปลว่าผู้หญิงที่มีปัญญาสตรีที่มีปัญญามีศีลปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาจงรักภักดีสามีทุกเมื่อบุรุษที่เกิดจากสตรีเช่นนั้นย่อมเป็นคนแก้วกาเป็นเจ้าแห่งทิศบุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสม บ, บัติก็ครอบครองได้<อ>ฟังให้ดีนะ สั้นๆเบียงแค่นี้ความหมายของแม่สําคัญสูงสุดมากท่านบอกว่าสตรีที่มีปัญญามีศีลหมายความว่ามีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติดีรับผิด ช, ชอบตายวาจาใจเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าผู้หญิงจะดีมีความรู้และมีศีล ด, ดีเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดเอาแม่ผัวเป็นเครื่องวัดถ้าปฏิบัติแม่ผัวดีปฏิบัติญาดีจนบ่พิดกันจักเถื่อบ่กินแนียงแข้งใจเ น, าน่าในเปี้ยชัดจักเถื่อเดี๋ยวนี้เครื่องวัดลูกภยัย ลูกสะพายมันอยู่ที่ยาเอาลูกไผ่มาหายาคือเอาหามาใส่เงินไปสั่นไปยังจะเอาหามาใส่เงินมันมาถือกันเพราะลูกไผ่ไม่ดีถ้าลูกสะพายดีแม่ยาจะเป็นเครื่องวัดอยาจะไม่ดีก็ตามฟองให้ลูกสะไพายดีไม่ทะเลาะเบาแวงยอมแพ้ยอมให้อภัยยอมให้คุณญาตด่าคุณญาตใช้อันนั้นเป็นเครื่องขอภัยไฟฟ้ามันดับไป ที่ล้ก็มามาว่ากันต่อไปว่าเหตุที่จะให้เห็นว่าแม่พันธุ์ที่ดีนี่นะแม่ที่ดีนั้นมันจะต้องเป็นเครื่องวัดมีเครื่องวัดก็คือญ่าคือแม่ผัวสัจสุเทวาปฏิพัตาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดายอมปฏิบัติรักษาผัวแม่ผัวตนเองนี้เหมือนกับแม่ของตอนเองลองคิดดูเถอะจะต้องใช้จิตใจที่อ่อน นิ่มนวลละมุนละไม ย, ยอมทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้ความอดความทนเป็นการฝึกเป็นการฝื้นเป็นการสร้าง อ, อปุปนิสัยแก่ตนเองเป็นผู้อ่อนน้อมถม่อมตนอดทนได้ทุกกรณีเพราะว่าผัวของเราเกิดมาจากแม่ของผัวแม่ของผัวก็คือแม่ของเราแม้ว่าท่านจะไม่ดีไม่งามไม่ถูก อ, อกถูกใจยอมได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านตัดเป็นความหมายที่ให้เราได้คิดมากว่าสัสุเทวาปฏิพตา ปฏิบัติแม่ผัวดังเทวดาตรัสายโยชยตีโปโซจงรักภักดีสามีสูรโรโหติที่สัมปติบุรุษที่เกิดจากสตรีนั้นย่อมเป็นคนแก้วกล้าสุระแก้วกาที่สัมปติย่อมเป็นผู้เป็นใจแห่งทิศเป็นเจ้าแห่งทิศ ต, ตาเทซาสุภรีสุภริตาปุตโตรัชมปิอนุซาสติบุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม่ราชสม บ, บัติก็ครอบครองได้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 ตัวอย่างไรโซรโลวัญญามใดผัวหักค้นคุ้ยใดมาเฮื่อนให้เจ้าแบงให้เจ้าคิดที่ถวนเห็นแหล่าแห่งแบนยายทั้งมวล น, นั่นปันเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งนั่นถาน้อมไหวเสิบเฮื่อนส่วนนึงเว้นว่างให้มหาเทนท่านถอดส่วนหนึ่งยายพีหน่องฟุ้งไก่คู่เฮื่อน ย้ายเมื่อเบื่องวง่งซาไลาแห่งให้เจาแบ่งพวดไวเมื่อเบื่องแม่ผัวถมคุณให้ตามข้องเป็นไผ่เพนถนอมยิงแม่งสเสมอเพียงแม่ตุลผู้น่ะให้ถนอมแม่ผัวนี่เหมือนแม่ของตนทมคุนให้ตามข้องไผ่เพนถนอมยิงแม่งสเสมอเพียงแม่ตนเหตุว่าเลี้ยงม้าหนี่กะวังข้องกินโดกแท้ได้การที่มีลูกไผ่อาศัยหย่อนเพิงแห้ง พู่เคยแกนหู่อาศัยเพงคํากินคันวเที่ยวมาหาให้ยืนแ บ, บยใบให้อย่าได้ซ่อมงอมกลมซ่อมง่งมมงยันแต่แกนกินเนอค้องออกเงอนแต่ละหน่อยแต่อย่าเฝ้าทําให้คํากล่าวนี้สอนคนภาคอีสานเมียที่ดีเป็นอย่างนี้แม่ผัวเหมือนกับแม่ของตนเองพระพุทธเจ้าสอนมาก่อนแล้วคนภาคอีสานก็เอามาแต่งเป็นกราเป็นกรธรรมดาสอนโลกสัตสุเทวาปฏิปตา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 พ่อพันธุ์ที่ดีบักเก้าล้านบักแปดแสนหูยานโตสบสบองยานเตบเตบเขาเขียนหัวไวเห็นไหมหัวพันธุอันนั้นเขาเลี้ยงเอาทางกายมันแต่ถ้าเลี้ยงเอาจิตเอาใจที่ดีที่งามต้องการให้โลกนี้มีแต่คนดีแม่ทั้งหลายจงะระลึกเถอะว่าท่านเป็นแม่ของลูกท่านเป็นแม่ของโลกพ่อนั้นยังไม่สําคัญ เท่ากับแม่แม่สําคัญมากถ้าแม่มีสินมีธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าเมธาวิณีสีระฟติสตรีใดเป็นผู้มีปัญญาสตรีใดเป็นผู้มีสินมีความรู้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีสสุเทวาปฏิ ป, ปตาปฏิบัติแม่ผู้วดังเทวดาตัสยาโยชยตีโพโซจงรักภักดีสามีของตนเองสู้โรโฮติทิสมันติโุลุที่เกิดจากสตรีจากผู้หญิงอย่างนั้นย่อมเป็นผู้แกวกาเป็นเจ้าแห่งทิศได้ บุตรของภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบของได้พระนเรสวนมหาราชเป็นบุตรหลานสืบหน่อเแนวพันมาจากพระนางศรีสุริโยไทยจึงเป็นผู้แก้วกล้าเป็นเจ้าแห่งทิศครอบของราชสมบัติแม้เมืองไทยจะตกเป็น ถ่ายของพมา่าคาศึกหลายสิบปีท่านกลับมายังไม่ถึงบ้านเลยประกาศอิสรภาพเนื้อแผ่นดินตรวจน้ำลงในแผ่นดินหลวงน้ำทักษโนทกปากดลงในแผ่นดินเทวดาอารักษ์สิงสักดิ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมืองสยามไม่เป็นเมืองขึ้นแก่พมา่าคาเึกประกาศอิสรภาพเนื้อแผ่นดินที่เมืองแข็หลังจากนั้นก็แก้วกาเห็นไหมสู้โรโฮติที่ซัมป์ติที่พระพุทธเจ้าว่ายอมเป็นผู้แก้วกา เป็นเจ้าแห่งทิศ ท, ทิศ ท, ที่เมืองสยามอยู่บัดนี้แก้วกาประกาศสงครามรบในที่สุดก็เอาบ้านเอาเมืองเขืนมาเอาเห็นนั้นท่านเลยสรุปว่าตาทีซ่าสุสภลิตาปุตโตเขอภัยลิ้นมันพันกันรัชชปิอนุซาสติติบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็ครอบครองได้นี่ถ้า นี่พระพุทธเจ้าของเราท่านเน้นมากเลยคือเน้นตรงที่แม่ตาทีซาสุภริตาปุตโตบุตรที่เกิดจากภรรยาที่ดีเช่นนั้นรัชมปิอนุ s าสตสติไม่ราจะสมบัติก็ครอบครองได้ตัวอย่างประจัจกษ์ชัดอย่างพระนเรสวนมหาราชของเราซึ่งเป็นหลานสายเลือดเฮือดดีดีของพระนางศรีสุริโยไทยเชื้อแม่สายเลือดของแม่ พวกเราก็รู้แล้วว่าพระ น, นางศรีสุริโยไทยนั้นแกล้วกล้าขนาดไหนขนาดว่าสาช้างก็ไปขวางเพื่อช่วยพระราชสวามีโดยไม่หวานกลัวต่อความตายและก็ถูกตัดคอตายตัดคอขาดบนคอช้างแต่ลูกออกมาล้านออกมาพระนเรศวรมหาราชนัิยูเรดิตติสายเลือดของพระนางศรีสุริโยไทยก็เลยแกล้วกล้ารักษาราชสมบัติเอากอบกู้คืนมาได้ เรียกว่ารัชชมปิอนุซาสตีติมันส่งไปถึงลูกจากลูกถึงหลานขอให้แม่พันธุ์ดีเพราะเหตุนั้นในวันแม่ของชาตินี้ขอเราทั้งหลายจงพากันและลึกนึกกันใหม่ว่าต้องการให้ลูกของเราดีต้องการให้โลกให้สังคมของเราดีท่านจงแม่ที่เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นแม่ที่ดีของโลกมือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกนั้นไม่ใช่มือของผู้ชายอกสามสอง หากแต่เป็นมือนิ่มๆที่ไวเปรก้มเหให้ลูกน้อยหลับนอนมือที่ถือสากกระเบือตำน้ำพริกเลี้ยงปากเลี้ยงทองของผัวและลูกนี้แหละพลักดันให้การเคลื่อนไหวของผัวเป็นไปตามอำนาจอันนี้วิิจการต่างๆที่เกิดขึ้นเมื้องหลังการตัดสินใจของบุรุษ ผู้ที่ว่าเป็นวีระบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็ตามอาจจะเป็นมือนิ่มๆอยู่เบื้องหลังนี้แหละผลักดันให้กระทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่นี่เป็นเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นผู้สร้างอุปนิสัยใจคอไฟเข้าไปในสายเลือดให้ลูกเกิดมาอย่างนั้นแม้แต่ผัวเองก็ตอมทําตามอํานาจของเมียซะเป็นส่วนมากวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แม่ทับจอมทับทั้งหลายก็เหมือนกันที่ว่าเก่งกล้าหุนพลผู้เคลื่นไกลในสนามรบกลับมาถึงบ้านก็ยากเมียคือกันเพราะฉะนั้น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 อาตมาไม่ค่อยเป็นห่วงถ้าผู้หญิงมาวัดน่าดีแล้วถ้ามีผู้หญิงอยู่ผู้ชายมันจะไปไหนเพราะผู้หญิงนี้แหละเป็นผู้มีอำนาจเหนือผู้ชายเวเมื่อเวลาพระโพธิสัตว์จะประสูตดจะลงมาเกิดท่านก็ต้องมองปัญจมหาวิโลกันนะ่ะดูลงมาในโลกประการแรกท่านจะต้องมองดูแม่เสีก่อนว่าแม่มีศินมีธรรมหรือไม่ไม่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์จะรู้ว่าพ่อเรามีสินมีธรรมหรือไม่ท่านดูที่แม่แต่แม่ดีมีสินมีธรรม แล้วก็บ้านเมืองเป็นอย่างไรประเทศชาติเป็นอย่างไรตรงที่ท่านจะเกิดคนมีอยายุเท่าไรท่านต้องมองมาที่นี่สําคัญต้องมองมาที่แม่ฝ่ายชายนั้นไม่ต้องห่วงขอให้ฝ่ายหญิงดีซะอย่างเดียวผู้หญิงมาวัดเยี่ยงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะแห้งแรงผู้ชายดูแต่นางอมิตตตากับชูชกชูชกแกแ่กเกือบตายแล้วนะนางอมิตตตาใช้หัวให้ไปป่าเขาขกิริวงกฎมันเป็นตะยานแท้แกไปได้ที่ไหนพอได้ยินเสียง นางอมิตตาบอกว่าให้ไปหาคนใช้มาแก้กลัวที่สุดเลยคือกลัวว่าจะไปได้อย่างไรแต่เสร็จแล้วนางอมิตตาก็โขว่าคันบ่หามาให้กูสินี้มืออือ่อื่นเตือนมือเสาสิเมื่อบานก่อนง่ายประชันให้มึงหาคนใส่ยิ่งไส้เพ่อคููกูสินอนอยู่บ้านงานใสให้เบาทำประชัน ขันโบไถ่โดยดังใจประสงค์กูสิลงเข่หาไปไม้ายส้มสูสิไปหาหุ่นเหลนสังวนสายส้มเบาวไปหาเบาวสำหน่อยมโ น, นสมตอนเสนตางและมีความบอกเสื่งสายส้มเหลนเนี่ยมึงแต่งเพลเพียงสิลงเกี่ยวก่อมสายพันธุ์เนี่ยเพื่อหายทุกขยากตายหัวใจตกอยู่ในตาตุ่มต้อยการที่หาคนใส่หาเฮานี่อยากกลัวพี่หันวยเยียวหยอกหนองล่อ ง, องเหลนบังกระบวนซื่อดอกหน้าเวทันย่านก็อบอย่าน ย่านมีหลายกว่าผีกองกอยเสมยดงในป่าหิมพานนั่นคำกล่าวในการมหาผลมันน่ากลัวขนาดไหนยำ่ำแต่ยินเสียงไก่แก้ว ห, ห่องทำเคลื่อนอนสนีนั่งนอนทำให้หาสู่ปวงมู พีพ่องเป่าขีนี่บริสัทดวงดานส่างสร้างหายทองเที่ยวผ้ามกรลัดเล็งเลียวให้ระว่างคู่หาสุริย่าเอียงคําแหล่งโลงใหม่ผีเงาใบห่องคนพ่องพ่องคางเสียงบางลวสุ่มเสือสมอยดงเออไอ้ผีกรงก่อยเป็นได้ย่านแต่ชู้โชคยังย่านมียหลายกว่าเพนั้นเมียเนี่ยอยู่เบื้องหลังเป็นทิศเบื้องหลังผักดันให้โพทําอะไรก็ได้สุดท้ายเม่เนี่ยจึงสําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าตาทิซ่า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 เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจะได้ดูกแข็งความเป็นแม่นี้สําคัญกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระมหาโพธิสัตว์จมหประสูจะมาตาสลูกตรวดดูโลกบัดนี้คนในโลกมีอายุเท่าไรพอจะฟังกันรู้เรื่องเรื่องอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาหรือไม่และบัดนี้พมานดาของเราที่จะลงไปเกิดนั้นมีสินมีธรรมเหมาะสมพอที่เราจะลงไปเกิดได้หรือไม่ไม่ปรากฏในตำนานว่ามหาโพธิสัตว์อยู่ชั้นรุศิต ต้องตรวจดูพ่ออีกสักก่อนว่าพ่ออยู่ในสิ่งไหอทำเพื่อไม่ถ้าแม่ดีซะอย่างเดียว